ท่ น, านศาสตร์ด้วยชนพัฒนาบริษัททั้งหลายและท่านผู้อ่านทั้งหลายตอนนี้ไปก็มาพบกันเรื่องของดาวถุงดําขอท่านผูน้อ่านและท่านผู้ฟังทั้งหลายโปรดทราบและจงอย่าลืมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนิทานเรื่องจริงๆก็มีว่าชาวนักวิทยาศยาสตร์เขาเขาฝลังก็ส่งกล้องเห็นดาวถุงดํา ใช้จับว่าอย่างนี้แต่ดาวถุงดํานี่มีพฤติการีว่าอะไรก็ตามถ้าเข้าไปใกล้มันมันดูดเข้าไปหมด <c oughs> แม้แต่แสงต่างๆก็ดูดเข้าไปฉะนั้นมองไม่เห็นเรื่องจริงๆมีแค่นี้ต่อมาก็นําเอาเรื่องดาวถุงดํามาตั้งต้นเป็นนิทานเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วก็ตามที่จะว่ากันต่อไปก็ตามเป็นนิทานทั้งหมด เรื่องของนิทานอาจจะพลาดทิงธรรมะบ้างก็เป็นของธรรมดาเกรงความว่าต่อจ น, นี้ไปก็มาฟังกันหลังจากได้พระบุตรตามท่านจะของถิงไปชมสถานเมืองต่างๆและยานภาณะต่างๆตลอดจนทั้งยานไปโลกต่างๆด้วยได้ <c oughs> ชงยานภาณะที่โลกต่างๆมาสู่โลกนี้ความจริงฟังแล้วก็คืบดี แต่ถ้าเป็นจริงตันนั้นจะดีมากหลังจากนั้นก็ลงมาที่เกาะเขาโทษจะไม่ถึงเกาะที่ชายมหาสมุทรที่เมืองท่าก็ให้ท่านเจ้าของถิ่นพาชมเมืองท่าต่างๆก็ลงความว่าความเป็นมาทุกสิ่งทุกอย่างกับของเรา <c oughs> เขาเขาคล้ายเึียงกัน <c oughs> แต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกแชมพูนี่เอง <c oughs> คนพูดก็ไม่รู้ทั้งหมด ว่ามีอะไรมาบ้างแต่เรื่องราวของวิยาศาสตร์เราต้องยอมรับเป็นเพราะว่าเขามีการคล่องตัวทุกอย่างทั้งค้าและทั้งขายชื่อมาและค่าขายคล่องตัวทั้งหมดสิ่งที่อยากจะทราบก็คือว่าทางใต้ดินที่เรียกสมองโมง<อ>แต่เมืองรือเมืองใต้ดินที่เขาบอกว่าของเขามีแต่ความจริงที่โลกจัมพูลนี่เราก็มี เท่าดีทราบอย่างอเมริกาเขาก็มีอย่างญี่ปุ่นก็มี้ามีหลายๆประเทศมันก็เป็นของไม่แปลกสำหรับคนพูเฟังแต่สำหรับผู้พูดเองก็รู้สึกว่าแปลกเขาไม่เคยไปเคยจะลงอุโ ม, มงที่ฮ่องกงมันก็เป็น้มองใต้น้ำเฉยๆก็เลยตามเขาไปดูก็ปรากฏว่า ทางใต้ดินของเขามีความกว้างประมาณสกิโลเมตรจริงมันกว้างมากไปยังทางเฉพาะรถระหว่างที่ระหว่างรถจะมีสองทางทางไปและทางมารถไม่สวนกัน <c oughs> เดินเป็นคนละทางแล้วก็เลนที่เราใช้เวี้ยรถก็หลายเลนด้วยกันรถมีมากแต่ว่าใต้ดินนี้ถามก็ถามกว่ากุญยานเหาะมีไหม เขาบอกว่าสถานที่มันต่ำยานเหาะไม่มีแต่รถของเขาก็ดีมีทั้งรถไฟมีทั้งรถรางมีทั้งรถยนต์จะก็ขาดรถดเก็ ก, กับรถมาของเขาไม่มีเพราะเราเคยมีทั้งสองข้างทางไม่เปลี่ยวมีบ้านเรือนรองเรือล ง, องมีตึกมีห้องแถวเป็นแถวแถวไปก็มีคนมากบ้างน้อยบ้างไม่มากนะัก แต่ว่าพอเดินไปประมาณสักตั้งรถไปประมาณสัก30กิโลก็จะเจอเมืองใหญ่ ใ, ญในเมืองนี้ท่านจะของถิง่นบอกว่าจะมีพลเมืองในเมืองนี้ประมาณ2 0 0 0 0คนนั้นก็ไม่เล็กคือว่าเขาขุดอุ ม, มองลึกออกไปข้างตั้งตึกแถวตังตรือนบ้านเ่องเรือนลง วคนจริงๆที่อยู่รู้สึกว่าทุกคนมีความสดชื่นหน้าตายืนเ ย, ย็นจใสถ้าจะถามว่ามีอะไรมัางจะบอกไปเมืองเราก็มีหมดแล้วเขจะบอกว่าไที่นี่ก็มีตุกกตต๊กตายทุ๊กตาบ้านเราก็มีจะมีผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้หญิงบ้านเราก็มีแต่ไม่ได้าถามเขาว่าเมือง น, นี้มีสะเทอหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้น ก็จะถามเขาอีกว่ามีอะไรบ้างก็น่าเขไม่น่าแปลกไม่น่าถามแ้่สิ่งที่ถามคือว่าเมืองนี้ขดลงลึกใต้ดินประมาณเท่าไหร่เจ้าหน้าที่ที่นําไปก็บอกว่าเขาก็มันผานช่างเหมือนกันเจอรูสึกว่ามันลึกมากพอถามว่าเวลานี้อยู่ใต้ระดับน้ําทะเลไหมเขาบอกว่าใต้ไม่ใช่ใต้ระดับน้ําทะเลใต้ท้องทะเลลึกลึกกว่าท้องทะเลลงไปอีก ล่าทางเส้นนี้ทั้งหมดลอดมหาสมุทรลอดใต้เมืองพื้นแผ่นดินด้วยลก็ลอดมหาสมุทรด้วยไปตามเมืองเกาะกลางน้ําต่างๆซึ่งมีหลายเมืองก็ถามว่าไอ้เมืองทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นเมืองขึ้นหรือเปล่าเขาบอกว่าเปล่าไม่ใช่เป็นประเทศเป็นเน อ, อกราชเขาเป็นเมืองปกครองนั่นเองก็อะเราบอกก็บอกว่าอยากจะไปในเมืองนั้นเขาบอกไปได้จะนําไป จะ น, นัง่งรถไปชมเชื่อทัศน์สองข้างอย่างสะดวกสบายมีความสุขพอไปถึงบริเวณอเมืองเมืองหนึ่งใต้บาดาลเมืองนี้ไม่โตนักเป็นเมืองเล็กๆเกขาบอกว่ามีพลเมืองประมาณสองหมื่นคนก็อบอกว่าที่เมืองเมืองนี่แหละเป็นทางมีทางขึ้นเมืองเลนเกาะในทะเลเอเมืองที่อยู่กลางมหาสมุทรที่อยู่กลางทะเลมันก็เแค่ญี่ปุ่นคิวบินแบบนี้ แต่ก็มีทางขึ้นบกก็บอกเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็อยากจะขึ้นบกเขาก็นํารื่งรถไปเรื่อยๆรู้สึกว่าความเป็นเล่นแค่ดีน้อยๆที่สะดวกมากลาดชันน้อยลาดชันน้อยๆถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้สึกชักไปเรียกหนึ่งก็าปลากฏขึ้นเหลือเพื้นแผ่นดินก็ปลากฏว่าที่ตรงนั้นเป็นเริงเกาะมีเกาะน้ําล้อมรอบจะไม่ใช่เกาะเล็กๆ ที่ทราบว่าเ ป, ไป็นเกาะน้ำล้อมว่าเพราว่าขึ้นชายเกาะเป็นน้ําไปแนวไกลแต่ว่าท่าเนเจ้าชาจะมองตัดผ่าตรงกลางให้ดนได้เกาะทอนนไม่เห็นกันแน่ไม่ไกลมากทางว่าเกาะ น, นี้มีเนื้อที่ี่ตารางกิโลเมตรก็บอกว่ามีเนื้อที่ประมาณ 200,000 กิโลเมตรมันก็เป็นเมืองใหญ่มากก็เป็นประเทศประเทศหนึ่ง แล้วก็ถามเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าเมืองนี้อยู่กลางเกาะลมพายุหนักๆจะมีไหมเขาก็บอกว่าเรื่องทะเลก็ดีมหาสมุทรก็ดีการที่มีลมพายุหนักๆนั้นเป็นของธรรมดา <c oughs> ก็ถามก็บอกว่าถ้าหากว่าลมพายุหนักๆเข้ามาไอ้เมืองนี้มันไม่กลายเป็นเมืองใต้น้าหรือเขาบอกว่าประเทศนี้มันเป็นประเทศที่ก็อยู่กลางทะเลมาเป็นอาชีพเป็นประจํา ก็มีการป้องกันกระแสน้าที่ให้ไม่มีกำลังแรงนักม่นเมื่อขึ้นไปบนเกาะของเขาแล้วผู้นํเขาก็พาไปชายทะเลเพ <c oughs> ืาอไปจะ่ไกลห่างกันประมาณถงสามกิโลเมตรก็เห็นกำแพงสูงตัะห ง, งานกำแพงมีความสูงมากก็ลืมไปไม่ได้ถามเขาเพากำแพงที่เห็นนั้มันสูงกี่ไม่รันแน่แ้่สูงกว่าที่สะหลายๆเท่า เป็นกำแพงกั้นรอบๆเท่าที่ใจเห็นเป็นกำแพงกั้นรอบชายน้ําทั้งหมดเขายืมพาเข้าไปทางประตูที่ออกพอถึงทางออกมันก็มีทางออกใหญ่ที่เรียกว่ารถขนาดห้าหกคันเรียงเข้าไปยังไม่จะไม่เปลนทางก็เอาทางนั้นแล้วก็ไปสักครู่หนึ่งก็ไปเจอกำแพงอีกด้านหนึ่งอีกชั้นหนึ่งในตอนหนึ่งเป็นกำแพงกั้นตรงเลี้ยวซ้ายไปนิดหนึ่งเดินไปสักครู่หนึ่งก็มีเจอทางประตูออกต่อไป มาเดินตรงไปแล้วก็ไปเจอกำแพงชั้นหนึ่งเป็นกำแพงสูงเหมือนกันทางก็บอกว่ากำแพงนี้เขาทำไาทำไมข้อพูดนำก็บอกว่ากำแพงเนี่ยเมชาวเกาะเขามีความฉลาดเล้วเขขึ้นลมตามธรมธรมดา้าธรรมดาธรรมดาแล้วเขาไม่กลัวกันแต่ก็เป็นธรรมดาอยู่เองขึ้นลมที่มันแรงมีความแรงมากในโยจะขึ้นลมจะแรงมากจะขนาดไหนก็ตอนจะทำลายบ้านเรืองเขาไม่ได้ ก็เห็นเพราะว่าเขาคึ้นต่อการป้องกันแต่ได้ว่ากระแสน้ําอาจจะตีซึ้งเกาะเขาได้ฉะนั้นก็ถึงหาทางป้องกันกระแสน้ำอย่างกําแพงชั้นแรกชายทะเลนี่เมื่อน้ํากระแทกเข้ามาแล้วน้ําส่วนที่กระแทกกําแพงจะต้องสะท้อนกลับเลยมหาสมุทรตอนจาเข้ากส่วนที่เหนือขึ้นไปนั้นเหนือกําแพงไปก็จะตกลงในช่องช่องของกำแพง ถ้าขึ้นมาอีกก็เป็นแบบนี้จะทําให้กระแสน้ํามีกำลังอ่อนไม่จะไห ล, หลเข้าเกาะการจะไหลเข้าก็ไหลลาบากเพราะช่องไม่ตรงกัน <c oughs> มันเยื้องกันใจ แ, แสนน้าที่เข้าไปแล้วตกแล้วก็ไหลออกมาหาสมุทรเขาทําแบบนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นการป้องกันแผ่นดินเขาเปียกน้ําได้ดีมาก ว, ว่าน้ําจะไม่เข้าถึงแผ่นดินใหญ่ถ้าถึงเข้าถึงบ้างก็มีไม่มีเล็กน้อยมีกแต่กระแสน้ําผล แม้แสน้ำของคลื่นจริงๆไม่สามารถจะเท่าถึงเขากำลังของคลื่นจะตกลงในระหว่างกำแพงที่เขากัก้นไว้มองดูเขาก็ชื่นใจในความฉลาดแต่ความจริงเรื่องความฉลาดอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ความฉลาดเป็นพิเศษทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนทุกคนย่อมคิดได้คนทุกคนย่อมสามารถจะสั่งการได้แต่ทุนทรัพย์ที่เพื่อำมันไม่มี หลังจากนั้นก็โวนเข้าไปในเขตตลาดเข้าไปในเมืองแต่เข้าไปในเมืองก็มีสภาพเช่นเดียวกันมีของทุกอย่างพร้อมูนบริบูรณ์ทั้งหมดคนก็รูปร่างลักษณะนหน้าตาคล้ายเคียงกันถ้าคล้ายทั้งบนบกแล้วในทะเลนคล้ายเคียงกันมากไม่แตกต่างกันอย่างเรากับพื้นนิ ป, ปนุ่นอย่างคนไทยกับพื้นนิปปุ่นก็มองยากเหมือนกันคล้ายเคียงกันมากคนของเขาก็มีสภาพแบบนี้ก็ไม่เหมือนกับไม่เหมือนเช่นเรากับญี่ปุ่น พวเราพอถึงญี่ปุ่นแตกต่างไปเยอะแล้ว <c oughs> พอไปเข้าไปอินโดนีเซียก็รู้สึกว่าแตกต่างกันมากสังเกตง่ายแต่คนไทยกับฟิลิปปินเนี่ยสังเกตยากเป็นไหแต่พูดถ้าไม่พูดจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครสังเกตง่นยากก็ <c oughs> อ, อันนี้ชั้นใดเมืองของเขาเมืองนี้กับเมืองบอกที่ผ่านมาแล้วก็มีสภาพเท่าเดียวกัน นี่เมื่อเขาชนเดินไปบ้างนั่งรถไปบ้างชมบ้างสลายของเขาก็ไม่แน่นไม่แน่นขนาดไม่นานนั่นไหมอพวกเราคนไม่มากเท่าเราแต่สิ่งของที่ส่งมาผตามพัะสะ ด, ดุทางเรือก็มีมากเดินมากที่มาจากบนบกมักจะเป็นพืชไรและของป่า แต่ของที่ชาวเกาะส่งไปขายมันบอกก็เป็นของที่ประดิษ์ขึ้นทางด้านวัตถาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ต <c oughs> ราความเราก็ไปขอถ้ามันไดอีกยิงเข้าเดินเข้าไปในจุดหนึ่งแในที่นั้นมีสถานที่แปลกําว่าแปลกเพราะว่าเป็นตึกไม่โสงเท่าตึกอื่นตึกก็สร้างสงสงกว้างขวางใหญ่ตโตสวยสดสวงามมากมีแสงสว่างแพลียวเพลีว ไ, ได้วยไฟฟ้า ต้องไปฟ้าไม่ะหวงวของเขาพวงเขาดีแน่จะว่าสิ่งที่น่าแปลกที่ว่าสถานที่นั้นสร้างในเหมือนบ้านทุกหลังที่มีอยู่ที่เธอเห็นมามียอดแหลมแหลมแล้วก็มีร่างคาคล้า ย, ายกับช่าฟ้ามีทรง แ, แปลกรู้สึกว่าสวยสะดุดตายิางถามก็ว่าสถานที่นั้นเป็นอะไร ก็บอกที่ตรงนั้นเป็นศูนศึกษาภาษศาสนาก็ถามว่าว่าเครื่องศาสนาที่เขานับถือนี่เป็นศาสนาอะไรก็บอเรื่องศาสนาที่นี่ไม่บังคับกันใครจะนับถืออะไรก็ได้ก็บ่าทุกคนต้องปฏิบัติให้เหมือนกันหมดนะั่นคือพรมีหารศีและก็กมาหมดสิทธิ อันนี้ต้องเหมือนกันทุกคนในประเทศนี้และทุกๆประเทศไในวันในโลกนี้ต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดนอกจากใ น, นคําสอนของท่านโูดาเยย์สอนได้แบบไหนก็สร้างเสร็จแต่ว่าจะละเมิดก็มีหางสี่กับกำหมดสิทธิ์ไม่ได้ก็ถว่าอันน้นในเรื่องทั่วๆไปแต่ศาสนาจริงๆที่นอมรับและเผืแพกันส่วนใหญ่ก็บอกว่านั่นก็คือพระพุทธศาสนา ก็ถามก็ว่าพระพุทธศาสนายอมรับนับถือกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่คขอกว่าบรรพบุรุษบอกมาว่านับถือ พ, พุทธศาสนากันจริงจังเมื่อสองสองพันห้า 2, ร้อยเจ็ดสิบนับอายุและนับปีในในจักรวาลเขาโลกสุโขโพในจักรวาลเขาโลกเขาเขาไม่ได้บอก แต่คนของเขาจริงๆถ้าบอนับอายุในโลกสุโขและจะมีายุทธสมทั้งหนึ่งหมืนสองพันปีแก่อายุไขจน่ในเวลานี้คนที่นำทางเขานับอายุในประเทศของเรานนโลกของเราได้แปดหมื่นปีขอโทษแปดพันปีในเมื่อเค้ามีอายุตั้งแปดพันปีเค้าต้องพอระพุทธศาสนาแน่น่าทายกว่าพระที่มาเทศส่วนใหญ่เป็นใคร เพรในสมัยนั้นจริงๆส่วนใหญ่เป็นพระโมคคัลลาแล้วถามว่าพระองค์อื่นมาบ้างไหมเขาบอกว่ามาถามการมาของท่านท่านมาอย่างไงเขาก็บอกว่าท่านล็มาแบบนี้แหละเป็นกิจะที่ลอยได้ก็บอกกับเขาว่าเวลานี้พระโมคคัลลานิพนานไปแล้วเขาทราบไหมเขาบอกเขาทา แม้พระอรหันลุ่นนั่งก็ลปินพานไปมากมายเขาทราบไหมเขาบอกเขาทราบถามก็ว่าเขารู้จักพระพุทธเจ้าไหมเขาบอกเขารู้จักถามว่าเคยเห็นตัวไหมเขาบอกเขาไม่เคยเห็นตัวไม่เคยเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปร่างลักษณะเป็นยังไงเอาตัวจริงๆกันแต่พระโมคคัลลาเคยทําปาฏิหาริย์ให้เห็นให้เห็นพระพุทธเจ้ามีรูปร่างลักษณะสวยสดงดงามมาก ได้ถามก็บอกว่าเวลานี้พระราะม น, าานั่งไหลท่านผ่านไปแล้วแล้วก็ยังจะมีพระอะไรมาสอนบ้างไหมเ้าก็บอกว่ามีถามก็บอกว่าท่านมาบ่อยๆหรือนานๆมาครั้งเขาบอกถ้าจะนับเวลาในโลกสมพูจริงๆก็จะประมาณสามเดือนมีมาครั้งหนึ่งก็ถามก็บอว่าสามเดือนท่านมาครั้งหนึ่งรู้สึกเบื่อว่านานไปไหมเขาก็ตอบว่าไม่นาน ถ้าคำสอนท่นจะอะรอย่างท่านสอนไว้แม่แต่น้อยเราก็ปฏิบัติกันไม่เคยได้ถ้าจะใช้คำว่านานก็หมายความปฏิบัติได้แล้วนานตรงแล้วท่านไม่มาต่อให้อันนี้คนจะว้านานแต่ความรู้ความปฏิบัติที่ท่านสอนพวกเราท่านเราปฏิบัติได้ก็อยู่ถึงท่านยิ่งถามว่าในเมื่อทุกคนที่นี่ตั้งอยู่ในสมหานสี่และในกำหนดศึก ้าคาสอนเขาว่าหมกขาลาท่านสอนอยางไงต่อไปอีกก็อบอกว่าท่านก็แนะนำให้ละสังโยชน์สังโยชน์มีสิบอย่างถ้าพูดไปแล้วก็เหมือนของเราได <c oughs> ้บอกว่าการละสังโยชน์สิบก็เป็นการละสังโยชน์สิบโดยเฉพาะอย่างยื่งสามเมืองตนท่านทำได้ไหมเขาบอกว่าเขาทำได้แต่มันไม่หมดการทรงตัวยังไม่แน่แท้นัก แต่ถามว่าข้อไหนที่ถึงว่ายากที่สุดเบอกทุกข้อไม่ยากแต่ก็ไม่มีความมั่นใจว่าทำได้จริงๆอันนี้เขาไม่ประมาทจริงๆเลยบอกว่าในเมื่อโลกนี้ทั้งโลกบังคับว่าต้องปฏิบัติในพรมิหัน4ีและจะมาบทสุด้เมื่อสองอย่างนี้ครบถ้วนทุกคนก็ไปบรรโสดา บ, บาันกับสกิธาคามีได้แล้ว ว่าทุกคนยอมรับนับผีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสองแล้วก็พระท่านปฏิบัติในสิ่งนี้กันหมดสิบได้ครบถ้วนก็เป็นปรพระอริยะเดวงตัวคือพระโสดาบันนสิสกิทาคามีเขาบอกท่าสองอย่างที่ไม่หนักแต่มันหนักอีกอย่างหนึ่งถามว่าหนักอะไรเขาก็ตอบว่าหนักในการเห็นตัวทุกคนโลกนี้จริงๆไม่ค่อยจะเห็นทุกทุกอย่างมันสุกหมด จะกินอะไรก็มีกินจะนอนอะไรก็ได้อันตรายต่างๆก็ไม่มีการระมัดระวังต่างๆก็ไม่มีการเดินไปเป็นมาจะหาคนฉกกระเป๋ากันแบบโลกฉมพูก็ไม่มีนอนหลับตื่นมาของหายแบบโลกฉมพูก็ไม่มีนั่งอยู่ดีๆถูกขี้เอาเงินทองไปแบบโรคฉมพูก็ไม่มีให้เขาส่งเสริมโลกฉมพูแล้วนะเป็นเรื่องโรคฉมพูเราเขาส่งเสริมมาก มันหนึง่งนักขี่ก็มีนักตึงก็มีนักล้วงกระเป๋าก็มีมีทุกอย่างเขาบอกว่ายืนไปกว่านั้นโลกเช็มโพยังกับมีมียังมีความรู้พิเศษคือความรู้บวก <c oughs> คําว่าบวกก็หมายถึงว่าหากาําไรเขา อ, อย่างนี้ซื้อมาเท่านี้บอกราคาเท่าโน้นแล้วขายเท่าโน้นต่อไปอีกเขาซื้อมาหนึ่งบาทบอกว่าหกสิบเหรขายสองบาท ในขณะที่บอกราคานี่เป็นกาไรในตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าบวกอย่างนี้โลกแชมโภก็มีแต่ว่าชิม น, นโลกนี้ไม่มีพอเขาพูดให้ฟังก็มีความเข้าใจว่าคนโลกนี้ไม่เข้าไม่เข้าใจในทุกแล้วแล้วเขาก็พูดต่อไปว่าข้อนหนึ่งของเขาสัญญานั่นคือส ก, กายติทิคคือพระโมคคัลลาสอนให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีเรา คือเรากับร่างกายแยกออกกันออกไปร่างกายถ้ามันตายแล้วเราไม่ตายเรามีความดีคือบุญทําไว้ไปสวรรค์บ้างไปพุมโลกบ้างไปนิพพานบ้างถ้าเรามีความท่วม์มีบาปเปปานาธิบาปเป็นต้นก็ไปเกิดเป็นเปรตบ้างสุรกายบ้างสติสันธบ้างลงนรกไปบ้างได้ถือว่าความชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงความตายจะมาถึงเราเมื่อะไรก็ได้ อย่างนี้คนโลกนี้ไม่เข้าใจก <c oughs> ็ถามว่าทําไมถึงไม่เข้าใจเขาบอเขาก็บอกว่าคนโลกนี้จริงๆจะต้องมียุคหมื่นสองพันปีเป็นทุกคนจึงตายในเมื่อหมื่นไม่ถึงหมื่นสองพันปีมันไม่ตายก็จะถือว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไร่ก็ได้มันก็นึกไม่ออกนึกได้แต่เพียงว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความตายใ น, นที่สุดแต่ก็มองไม่เห็นทุก คิว่าถ้าเราเกิดมาเป็นคนอื่นเป็นคนต่อไปอีกเ้าก็มีความสุขอย่างนี้เวลานี้มีความสุขเราไม่มีรถใช้เราก็โดยสารรถได้ ร, ราคารถก็ไม่แพงเราไม่มีเครื่องบินใช้เราก็โดยสารเครื่องบินได้จะไปไมืไ่อใดก็ได้เครื่องบินมีเยอะค่าผานะัก็ถูกเพราะว่าประเทศนี้ไม่ได้ใช้น้ำมันประความว่าคุยไปคุยมาเวลามันก็มากคนฟังน้ําคานหรือเปล่าก็ไม่ทราบ เมื่อสร้ปแล้วคนโลกนี้คิดว่าพระโสดาบันเป็นของยากแต่ยากข้อเดียวคือสกายติถิก็น่ายเห็นใจเขาในความเคารพในพระพุทธเจ้าใ น, ราในพระธรรมในพระอริยสงฆ์เข้ามีจริงหลังจากนั้นก็ชวนกันบอกถ้าอย่างนั้นบ้านอาคารหลังนี้เป็นอาคารสอนศาสนาใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ถามก็บอกว่าเวลานี้มีพระมาไหย เขาแลเห็นธงสีเหลืองชกยกขึ้นเขบอกเวลานี้พพากับบางเทพแล้วก็ก็บอกก็ว่าถ้าอนั้นต้องขออภัยที่รบกวนท่านทํำให้ท่านไม่มีโอกาสได้ฟังเทศเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรที่ที่เป็นเมืองเกาะสำหรับเขาเขาฟังมาแล้วจากเมืองบนพื้นดินแต่ที่นี่สะท่านเทศนอนที่นอนแล้วก็มาเทศที่เมืองเกาะนี้ก็ถาม่าว่าเวลาที่พระเทพเราจะเข้าไปได้ไหม เขาบพรานเทศนะความจริงแค่ไม่ได้พูดคนเดียวท่านพูดกับคนเป็นแบบสนทนากันเรียกว่าเทศท่านถามเรื่องความเข้าใจในเรื่องที่ท่านพูดไหมอย่างนี้เข้าใจไหมอย่างนั้นเข้าใจไหมจะเรียกว่ารู้เรื่องกันเราเข้าไปได้มาถึงอะไรก็ฟังเทศได้คุยเทศได้คําว่าคุยเทศกับไมยความเราถามได้ยิงชวนเขาให้ให้เขานําเข้าไปในสถานที่สอนศาสนา พอเข้าไปในสถานที่นั้นก็แปลกดว่าที่บริเวณกว้างขวางจริงๆต็ก ด, ด้านหน้าที่มองเห็นด้านหน้าเป็นมุกแสดงว่าที่นี่เป็นที่สอนศาสนาแต่ก็ปไปทําไมเป็นตึกใหญ่มากบริเวณกว้างขวางมากมีแสงสว่ามีความเย็นดีมากแล้วก็เครื่องกระจเสียงเครื่องเสียงเขาก็ดีบ้าจริงๆใครจะพูดอะไรก็ได้ยินกันทั่วมานั้น ไมโครโฟนเขาก็ไม่ต้องตั้งทูให้ใหสูงอย่างไมโครโฟนของเราอย่างที่คนพูดกําลังพูดนี่ไมโครโฟนตั้งสูงของเขามองมาเห็นอยู่กับพื้นนั่งโต๊ะปุ๊บเป็นพบไมโครโฟนนั่นคือช่องเล็กๆแล้วก็พูดได้ทันทีใครพูดมาคนอื่นได้ยินหมดเมื่อเข้าไปในที่นั่นเจ้าพระท่านกาลังนั่งอยู่ธรรมะงามสง่ามาก องโตกว่าองพระองคคนธรรมดามากใหญ่มากก็ทราบแบรนชันได้ทันทีว่าการแสดงองค์แบบนั้นต้องเป็นการแสดงปาฏิหารก็ถามคนที่ก็นําบอกองค์นี้พระอะไรเขาบอกว่าองค์นี้คือพระโมคคัลลาที่ท่านบอกว่าพระโมคคัลลานิพนานแล้วสําหรับโลกนนท์แต่โลกนี้พระโมคคัลลาไม่เคย น, นิพนธ์ ท่านมาตามเวลาของท่านจริงๆองค์ใหญ่ขนาด น, นี้นี่คนในพื้นดิบภพนี้ทั้งหมดที่ว่าโลกนี้ทั้งหมดเขาเรียกองค์นี้ว่าเป็นพระใหญ่ที่บางคนในโลกเชื่มพูโนโตชพูเขามีคนมาแล้วนะไม่ใช่มีจะมาในคณะของท่านเขามีคนมาแล้วเขาเคยถามว่าโลกนี้มีพระพุทธศาสนาไหมก็บอกเขาว่ามี ถามว่าพระอะไรมาสอนก็ะเจก็บอกเข้าไปว่าส่วนใหญ่พระองค์ใหญ่มาสอนคำ <c oughs> ว่าพระองค์ใหญ่ก็หมายถึงพระโมคคัลลาเวลานั้นท่านจะมังคธ์เข้าไปด้านนั้นรู้สึกว่าทัานหันมาข้างหน้าแต่คนนั่งทุกๆด้านก็มีความรู้สึกว่านั่งข้างหน้าท่านทั้งหมดอันนี้เป็นปฏิหาริย์ใหญ่ตามบาลีบอกว่ า, าการอย่างนี้จะแสดงได้จากพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นก็หมายความทุกองค์ยังมีชีวิตเป็นมนมุษย์อยู่เวลานี้อัการสาวว่าพระองค์สมเด็จพระรามโคคือพออระโมกกัลลาท่านนิพพานไปแล้วคำว่านิพพานแปลว่าศูนย์เมื่อวันที่สิบหกเด็กนักเกรียงสตรีวิทยามาปฏิบัติกรรมาฐานที่วัดท่าสงเอถามว่านิพพานเ้าบอกว่าศูนย์ใช่ไหม ก็ตอบว่าเขาเขาบอกเขาเขาแปลกขาว่าศูนย์เธอก็ถามว่าศูนย์แล้วหมายจะสลายไปเลยหายไปเลยใช่ไหมก็ตอบว่าใช่เธอก็ถามว่าเวลาปฏิบัติกรรมฐานจริงทําไมจึงมีความรู้สึกสัมผัสนี่เปมาเด็กนักเรียนเธอบอกว่านิพานมีความรู้สึกสัมผัสสัมผัสรู้ว่านี่เป็นนิพานจะพูดกันง่ายๆก็หมายความว่านิพานในเวลาที่เธอสัมผัสจะมีตัวมีตน ก็เลยบอกกฐว่านิพพานก็ดีสวรรค์ก็ดีธรรมโลกก็ดีเป็นต้นเขาเรียกว่านามธรรมาแต่สิ่งที่ประสบของเธอเป็ น, เ ป, นเป็นรูปขึ้นมาเขาเรียกว่ารูปในนามคือส่วนที่เป็นนามก็มีรูปของนามเขาเราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตจเนื้อต้องใช้กําลังจิตสัมผัสก็เลยเฉพาะอย่างยิ่งก็กล่าวว่าต้องใช้กําลังทิพย์ ป, ปัจจุบันทิพย์กัจจุบานสัมผัสใช้ตาแนม่ได้แว่เราใช้จา่จาจาัจางใจคือใจเป็นคิพย์อรัรรดาท่านพุทธบรสัทธ มองโดยเวลาแลนะนาทีเสร็จเสร็จก็จะหมดเวลาแล้วขอลาก่อนอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลยงมีแด่บรรดาท่านพระศาสนากชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกทา่านสวัสดี